นะโมตัสสะพสะระครวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพสะระครวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระครวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธัมมังสังฆังนัมมัสอามิบันี้จักได้สแสดงธรมรมะกะถาเสบต่อไป จงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิด3ความสุขบนความทุกข์พระองค์ตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าสุขกามานิภูตานิโยทันเท น, นะนะหิงสติอัตโนสุขเมสานโนเปจจโสนะพละปเตสุขัง สุขกามานิภูตานิโยทันเทนะนะหิงสติอัตโนสุขเมสาโนเปจจโสระพะเตสุขังแปลว่าผู้ใดสแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนสัตว์อื่นผู้ใคร่สุขเหมือนกันให้เดือดร้อนผู้นั้นละไปแล้วย่อมไม่ได้สุขส่วนผู้ใดสแสวงหาสุขเพื่อตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน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 ผุดเสียซึ่งความทุกข์ทางกายทางใจสำนวลไทยจึงพูดว่าความสบายกายสบายใจบางท่านกล่าวว่าความสุขเป็นจุดหมายปลายทางแห่งพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์คือมนุษย์จะทำสิ่งใดก็ตามย่อมมุ่งเอาความสุขเป็นเบื้องหน้าแต่การยอมลำบากในบางอย่างก็เพื่อให้มีความสุขในอนาคตเราจึงมักได้ยินเสมอว่าลาบากไปก่อนเถิด จะได้สบายเมื่อปลายมือหรือสุภาษิตไทยๆที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็มีความหมายว่าให้ยอมทนทุกข์ในวันนี้เพื่อสบายในวันหน้าดูมันว่าทุกคนต้องการความสบายกันทั้งนั้นจึงพากันแสวงหาความสบายบางคนก็แสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครบางคนแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่น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 ต้องการความสุขอย่างเดียวเท่านั้นหรือพวกสุขนิยมคือพวกถือว่าความสุขหรือความรู้สึกสุขประการเดียวเท่านั้นเป็นคุณค่าอันสูงสุดส่วนที่ตรงกันข้ามเป็นความชั่วหรือเลวกลุ่มนักคิดพวกนี้ที่ปรากฏคือเบนแทมเจเอสมิและเ s สซิดวิกเป็นต้นเป็นบุคคลในคริสตศตวรรษที่19ทั้งนั้น ถือว่าความดีคือความสุขความพอใจสิ่งใดให้ความสุขความพอใจสิ่งนั้นดีสิ่งใดให้ความทุกข์ความเดือดร้อนสิ่งนั้นไม่ดีแต่อีจีมัวนักปัญญาและนักปัญญาศาสตร์สาคัญแห่งกิตตสัตว์ที่19ได้ค้านความเห็นนี้อย่างจริงจังเขากล่าวว่าความสุขความพอใจกับความดีนั้นเป็นคนละเรื่องกันเขายืนยันว่าความดีต้องเป็นความดีในตัวมันเอง คือสิ่งอันใดที่ดีก็ดีที่ไม่ดีก็ไม่ดีการเอาความทุกข์หรือความสุขที่เกิดขึ้นภายหลังมาวัดดีหรือชั่วนั้นไม่ถูกจริงอยู่พวกสุขนิยมสมัยปัจจุบันเห็นว่าความรู้คุณธรรมต่างหากเป็นความดีวงเล็บอย่างไรก็ตามมันเป็นเครื่องให้บรรลุถึงความสุขความพอใจอยู่นั่นเองเจเอสมิวยืนยันว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆในชีวิตนั้นคือความสุข ความพอใจดังนั้นความดีจึงควรตีค่าให้เท่าความสุขกับความพอใจแต่มิวก็ยอมรับเหมือนกันว่าชีวิตของนักปราดควรจะสูงส่งกว่าชีวิตของพวกหาความสุขทางสัมผัสทางเนื้อหนังพระพุทธศาสนาได้ยอมรับความสุขสิบชั้นเป็นการบ่งอยู่ในตัวความสุขคืออะไรบ้างกล่าวโดยย่อมีสาหรือสามภูมิคือสามชั้น ชั้นที่1การมาสุขได้แก่ความสุขของผู้ยังเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยการเช่นสัตว์มนุษย์และเทวดาเรียกว่าพวกการ ม, มาวจรภูมิเป็นความสุขชั้นยากชั้นที่สองฌานสุขมี8ขั้นละเอียดประณีตขึ้นไปตามลำดับระดับนี้คือความสุขของท่านผู้ได้ฌานเรียกว่ารูปาวจรภูมิเป็นอรูปาวจรภูมิ คือมีสองอย่างารูปาวะจรและอรูปาวะจรภูมิชั้นที่สนิพพานสุขความสุขที่ได้รับจากการบรรลุนิพพานคือการดับกิเลสเป็นขั้นมีสชั้นมีความสุขันเกิดจากโซดาปฏิมักโสดาปฏิพนเป็นต้นมองตามทัศนนี้จะเห็นว่าพระพุทธศาสนามองสุขในแง่กว้างคือยอมให้ทั้งโลกิยสุขและโลกุตรสุขยอมให้ทั้งสามิสสุขและ นิรามิตรสุขแต่พระศาสดาทรงติ่งว่าโลกียสุขและสามิตรสุขนั้นยังเจืออยู่ด้วยทุกข์จึงไม่ใช่สุขที่แท้จริงส่วนโลกุตรสุขหรือนิรามิตรสุขนั้นเป็นสุขบริสุทธิ์ไม่เจืออยู่ด้วยทุกข์พระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมความสุขอย่างหลังมากคือส่งเสริมโลกุตระสุขพูดไปคล้ายของเทียมกับของแท้ของเทียมก็พอใช้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 การฆ่าสัตว์เพื่อความสนุกเพื่อเพลินการขมโมยพ้นซักผู้อื่นทำร้ายเจ้าทรัพย์การประพฤติผิดในกรามการหลอกลวงทำความเสียหายหักรานประโยชน์ของผู้อื่นเป็นต้นส่วนบัณฑิตผู้หาความสุขใส่ตนบนความสุขของผู้อื่นคือกระทํากรรมอันก่อให้เกิดความพอใจด้วยการทุกฝ่ายเช่นการให้อภัยทานในชีวิตสัตว์และคนการสงเคราะห์อเอื้อเฟื้อผู้ขัดสน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 เช้าวันหนึ่งพระศาสดาเสด็จเข้าไปในเมืองสาวัตถีเพื่อบินทบาทระหว่างทางได้ทรงพบเห็นเด็กหลายคนกําลังตีงูเรือนอยู่วงเล็บงูเรือนคืองูประเภทงูเขียวงูลายสอเป็นต้นที่อาศัยอยู่ตามเรือนพิษไม่ร้ายเมื่อตัดถามว่าทำไมจึงตีมันพวกเด็กทูลตอบว่าเพราะกลัวมันกัดพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพวกเธอใคร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 บุตตาปฏิวเอยุตังทุกขาหิสารัมภักัถาปฏิทันทาผู้เสยยุตังสเจเนเลสิอัตานังกังโสอุปหโตโยถ า, าเอสะปะโตสินิพานังสารัมโพเตนวิชติแปลว่าท่านอย่ากล่าวคำหยาบกับใครๆเมื่อเขาถูกด่าว่าก็จะพึงด่าว่าท่านตอบมา อันการกล่าวแข่งดีกันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษต่างๆก็จะพึงหวนกลับมาถูกต้องท่านถ้าท่านทำตนไม่ให้หวันไหววงเล็บอยู่อย่างสงบเสงี่ยมไม่มีปากไม่มีเสียงเหมือนกังสะดานที่ปากขาดเสียแล้วท่านจะถึงนิพพานการกล่าวแข่งดีกันก็จะไม่มีแก่ท่านอธิบายความคาหยาบนั้นคือคาที่ออกมาจากจิตหยาบ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 เช่นจะเปรียบเปยกับคนหัวล้านก็พูดถึงสิ่งล้อเลียนอื่นๆเป็นต้นคำประชดคือการยกให้สูงเกินจริงแต่เจตนาแฝงไว้ด้วยการดูหมิน่นน้ำเสียงก็บอกว่าไม่ได้ยกย่องจริงคำหยาบโลนคือคำพูดอันไม่สุภาพสองแงสองงามคิดได้หลายทางแต่ส่วนมากมุ่งไปทางเพศโดยเฉพาะอาวัยวะเพศและการประกอบกิจทางเพศ คำหยาบที่พระศาสดาตรัสในพระคาถานี้หมายเอาคําด่าเพราะในท้องเรื่องภิกษุด่ากันว่าท่านทุศีลอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าท่านก็ทุศีลเหมือนกันพระศาสดาทรงโอวาทว่าอย่า ก, กล่าวคำหยาบกับใครๆเพราะจะได้รับคำหยาบตอบมาเหมือนกันเข้าทํานองภาษาบาลีว่าลพัพติหันตาหันตารังเชตารังลัพเตชยังอกโกสโก จะอักโกสังโรเสนตารันจะโรสะโกผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบผู้ประทุษร้ายย่อมได้รับการประทุษร้ายตอบและผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบในบาทที่สตรัสว่า การกล่าวแข่งดีกันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การกล่าวแข่งดีคือการพูดวดกันว่าใครจะพูดได้มากกว่าใครใครจะด่าได้แรงกว่าใครจะขุดเอาความชั่วของฝ่ายปรปักมากล่าวได้มากกว่าหากความร้ายของเขาไม่พอก็หาใส่เข้าบ้างเรียกว่าใส่ร้ายหากยังดำไม่พอก็ป้ายสีเข้าไปเรียกว่าป้ายสีเพื่อให้ฟังดูรุนแรงเข้มข้นขึ้น เมื่อต่างฝ่ายต่างแข่งกันในเรื่องนี้การใส่ร้ายป้ายสีกันก็รุนแรงขึ้นเหมือนเอาโคลนศาสต์เข้าหากันย่อบจะแปดเพื่อนกันฝ่ายละมากๆคนดูก็ชอบใจแต่ความย่อยยับตกอยู่แก่ขนทะเลาะกันดังที่พระพุทธเจ้าทรงโอวาทภิกษุชาวเมืองโกสัมพีว่าปเปเรจะนวิชานันติมะยะเมทะยัมมเส เยจัตถวิชานันติตโตสัมมันติเมทะขาคนพวกอื่นย่อมไม่รู้หรอกว่าพวกเราย่อยยับอยู่ในถ้ำกลางสง์นี้พวกได้รู้ความหมายมั่นของคนพวกนั้นย่อมสงบลงคือรู้ว่าเมื่อทะเลาะกันศาสตรโคนเข้าหากันก็มีแต่ความย่อยยับด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่มีใครได้ดีแต่วิสัยโลกยากเหลือเกินที่จะให้คนกลมเกลียวกันได้ทั้งหมด เพราะต่างคนต่างยังมีกิเลสกันอยู่หน้าของคนบางคนไม่ถูกกับตาของคนบางคนเสียงของบางคนไม่ถูกหูของคนบางคนท่าทางของบางคนไม่ถูกใจของคนบางคนมีการหมั่นใส้กันบ้างการกระทบกันบ้างเห็นมีอยู่ทุกสังคมไม่ว่าในสังคมใดที่คนในสังคมยังมีกิเลสอยู่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เป็นคนมั่นคงสงบปากสงบเสียงของตนเสียคำด่าว่าใส่ร้ายป้ายสีก็จะสงบไปเองใครจะไปยืนตะโกนด่าภูเขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนอันหนึง่งทรงเตือนให้สงบปากเสียงเหมือนกังสดานปากขาดตีไม่ดังกังสดานหรือเครื่องดนตรีประเภทกรองตะโพนที่เขาชอบตีก็เพราะตีแล้วมันดัง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 พระพุทธเจ้าทรงย้ำแก่ภิกษุพุทธสาวกเสมอว่าอย่ากล่าวคะถาอันเป็นเหตุให้โตเถียงทะเลาะวิวาดกันแต่จงกล่าวคถาอันประกอบด้วยองคิษย์คือคถาวัตถุศิ์คือกล่าวถึงเรื่องทานศีลเรื่องความสันโดษมักน้อยความเพียรปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัทสนะการไม่คุกคี ด, ด้วยหมพณนะและความวิเวก คาถาใดเมื่อกล่าวแล้วให้อกุศลกรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปไม่ควรกล่าวคาถานั้นคาถาใดเมื่อกล่าวแล้วให้อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นควรกล่าวคาถานั้นนี่กล่าวโดยสรุปพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เศตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารพพระโกนทัฏฐานมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พระโกนทัฏฐานเถระ ดำเนินความว่าตั้งแต่พระโกนทะธานบวชวันแรกทีเดียวมีสตรีคนหนึ่งเที่ยวติดตามท่านไปทุกขนทุกแห่งคนอื่นๆเห็นแต่ท่านไม่เห็นไม่ใช่สตรีจริงแต่เป็นภาพที่เกิดขึ้นด้วยแรงกรรมที่ท่านเคยทำมาเมื่อท่านเข้าไปบินทบาทในบ้านพวกชาวบ้านได้ถวายภิกษาแก่ท่านสองส่วนพร้อมพูดว่าส่วนหนึ่งเป็นของท่านอีกส่วนหนึ่งเป็นของสตรีสหายของท่าน ถามว่าท่านเคยทำกรรมอะไรมาจึงเกิดภาพหลอกเกิดขึ้นเช่นนั้นเรื่องต่อไปนี้เป็นคำตอบบุพกรรมของพระโกนทัทานในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัตสปะภิกษุสองรูปเป็นสหายกันกลมเกลียวกันเอื้อเฟื้อกันเสมือนหนึ่งว่าเกิดจากคันมารดาเดียวกันในสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชนมายุยืนภิกษุสาวกของพระองค์ ร่วมประชุมกันทำอุโบสถปีละหนึ่งครั้งหรือทุกๆห ก, กเดือนวันหนึ่งภิกษุสองรูปนั้นออกจากที่อยู่ได้ตั้งใจว่าจะไปทำอุโบสถที่โรงอุโบสถในระหว่างทางภิกษุรูปหนึ่งปวดอุจจาระจึงบอกสหายให้คอยอยู่ก่อนตนขอแวะทำสรีรักิจเล็กน้อยแล้วเดินเข้าไปในพุ่มไม้มีแสดงให้เห็นว่าในเมืองอินเดียเนี่ย ตั้งแต่สมัยโน้นมาถึงสมัยปัจจุบันห้องน้ำก็ยังเหมือนเดิมรือเข้าป่าขนาดนั้นเทวดาผู้เกิดในดาวดึงท่านหนึ่งเห็นภิกษุทั้งสองรูปนั้นกลมเกลียวกันยิ่งนักอยากจะให้แตกกันเพราะนิสัยเกเรของตนเห็นไหมเทวดานะดีทั้งหมดที่ไหนเทวดาดนะิเห็นเขาดีกันยังมีกิเลสขนาดพระสดิสนมกันก็ยัง อยากให้ทะเลาะกันเนี่ยเขาเรียกว่าเทวดาอันถานจึงรีบลงมือปลอมเพศเป็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งเมื่อภิกษุทำสติละกิจเสร็จแล้วเดินออกมาเทวดาในรูปของหญิงงามเดินตามออกมาจากพุ่มไม้ด้วยทําทีเป็นเกล้าวมวยผมและจัดผ้านุ่งให้เรียบร้อยภิกษุไม่เห็นหญิงนั้นแต่สหายที่คอยอยู่เห็นเทวดารู้ว่าภิกษุผู้รอคอยเห็นพฤติกรรมของตนแล้วก็หายไป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 การเข้าไปของท่านก็ไม่ใช่ประเดียวประดาวอาการอย่างนี้จะให้หมายความว่าอย่างไรนอกจากศีลของท่านได้ถึงความวิบัติกับสตรีนั้นแล้วท่านอย่าปฏิเสธเลยข้าพเจ้าเห็นกับตาเองภิกษุนั้นฟังแล้วมีอาการเหมือนหนึ่งว่าสายฟ้าฟาดลงกลางกระมม่ก่าววิงวอนขอความเห็นใจว่าท่านอยาให้ข้าพเจ้าต้องวิบัติเลยข้าพเจ้าไม่ได้ทากรรมอย่างนั้นจริง แต่ภิกษุผู้สหายหาฝังไม่แตกกันต่างคนต่างแยกกันไปเมื่อถึงโรงอุโบสถภิกษุผู้เห็นไม่ปรารถนาทำอุโบสถร่วมเพราะถือว่าอีกรูปหนึ่งไม่มีศีลซะแล้วเธอได้บอกแก่สงในชุมนุมนั้นว่าได้เห็นมาอย่างไรส่วนภิกษุผู้ถูกกล่าวหาได้พยายามชี้แจงในที่ประชุมสงว่ามิได้ทำกรรมอย่างนั้นมองไม่เห็นความเศร้าหมองแห่งศีลของตนแม้เท่ า, มาเมล็ดงา จึงอ้อนวอนขอความเห็นใจจากสงเทวดาเห็นเรื่องเลยไปถึงอย่างนั้นจึงร้อนตัวกลัวกรรมจึงยืนอยู่ในอากาศประกาศความที่ตนต้องการทดลองความสามัคคีของท่านทั้งสองแล้วปลอมเพศเป็นสตรีมาทำอาการอย่างนั้นขอท่านทั้งสองจงทรมอบโบสถร่วมกันเถิดภิกษุผู้เห็นจึงยอมทำโอบโบสถร่วมแต่ความสนิทชิดเชื้อไม่ได้เหมือนเดิมเสแล้ว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 พิกสูทั้งหลายเห็นพระโกทนทัานทานเที่ยวไปอย่างนั้นคือมีสตรีตามหลังอยู่เสมอจึงรังเกียจฟ้องอนาถปิณิกะเศรษฐีเจ้าของวัดเชตวันให้ไล่พระโกนทท่านออกเสียจากวิหารหรือที่อยู่เศรษฐีถามว่าก็พระศ า, าสดาประทับอยู่ไม่ใช่หรือเมื่อทราบว่าพระศาสดาประทับอยู่เศรษฐีจึงตอบพระทั้งหลายว่าถ้ากระนั้นพระศาสดาคงจักทรงทราบดี ภิกษุทั้งหลายได้ฟ้องนางวิสาขาเจ้าของบุพารามอย่างนั้นเหมือนกันนางได้ตอบเช่นเดียวกับอนาถบินิกะเศรษฐีภิกษุทั้งหลายจึงทูลเรื่องนี้แก่พระเจ้าพระเศสนที่โกศสนว่าภิกษุชื่อโกลนททานเที่ยวไปโดยมีสตรีตามหลังอยู่เสมอยังความเสียใจให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุทุกรูปขอพระองค์จงไล่ภิกษุนั้นออกเสียจากแควน พระเจ้าเปรสันทิโกสนเสด็จมายัางเชตวนารามพร้อมด้วยข้าราชบริพารจํานวนมากให้ราชบุรุษล้อมเสนาสนะที่อยู่ของพระโกนทัฐทานไว้ทรงผินพระพักตร์ตรงไปยังด้านหน้าของกุตินั้นพระเถระได้ยินเสียงอึงคันหนึง่งจึงออกมายืนอยู่ที่ตรงหน้ามุขพระราชาทอดพระเนตรเห็นสตรีนางหนึ่งอยู่เบื้องหลังของท่านครั้นพระเถระทราบว่าพระราชาเสด็จมาจึงออกมาต้อนรับ นั่งที่สมควรแห่งหนึ่งพระราชาเข้าไปหาพระเถระแต่ไม่ได้ส่งประของอัญเชลีมิได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นทรงตรวจดูทุกแห่งแม้ที่ใต้เตียงก็ไม่ได้ทรงเห็นจึงตรัสว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นสตรีผู้หนึ่งยืนอยู่เบื้องหลังท่านขณะที่ท่านยืนอยู่หน้ามุกบัดนี้สตรีนั้นไปไหนเสียถวายพระพรอาตมาภาคไม่เห็นสตรีนั้นเลยพระทูลตอบ เมื่อพระราชาทรงยืนยันว่าได้ทอดพระเนตรเห็นท่านก็ถวายพระพรว่าท่านไม่ได้เห็นพระราชาจึงนิมนต์ให้ท่านลองไปยืนที่หน้ามุกอีกมีสตรีปรากฏอยู่เบื้องหลังของท่านพระราชาเสด็จขึ้นไปเมื่อพระเถระนั่งลงต้อนรับภาพสตรีนั้นก็หายไปพระราชาได้ค้นดูทุกแห่งก็ไม่พบสตรีนั้นไปอยู่ที่ไหนพระคุณเจ้าโปรดบอกเถิดอาตมภาพไม่เห็นมหาบอ่อพิษ แต่ข้าพระเจ้าเห็นอยู่สักครู่นี่เองขอถวายพระพรคนทั้งหลายก็พูดกันอย่างนี้เหมือนกันแต่อาตมาภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยพระราชาจึงขอให้พระเถระลองไปยืนดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นอีกคราวนี้ทรงแน่พระไทยว่าเป็นภาพหลอกหาใช่สตรีจริงไม่จึงตัดกับพระเถระด้วยความกรุณาว่า พระกุญเจ้าการที่มีรูปอันเศร้าหมองแก่สมนเพศเที่ยวติดตามอยู่เช่นนี้หาเป็นมงคลไม่คนทั้งหลายจักไม่ถวายพิกษาแก่ท่านเพราะฉะนั้นขอท่านจงเข้าไปในพระราชวังเนืองนิดรับอาหารบิณฑบาตของข้าพเจ้าดังนี้แล้วสเสด็จกลับภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนี้แล้วโพนธนาว่าดูเถิดดูเถิดผู้มีอายุทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงดูกิริยาของพระราชาลามก ได้ประรณาพระโกนทัฏฐานด้วยปัจจัยสี่แทนการไล่ออกจากวิหารภิกษุทั้งหลายเมื่อพบพระโกนทัฏฐานก็เรียกว่าเฮ้ยพระทุศีลบัดนี้พระราชาก็กลายเป็นคนชั่วช้าไปแล้วพระโกนทัฏฐานก่อนนี้ไม่เคยเอ่ยปากโต้อตอบใครเลยบัดนี้ได้พระราชาเป็นกําลังสนับสนุนกําเริบใจขึ้นได้กล่าวโต้อตอบภิกษุทั้งหลายว่าพวกท่านนั่นแหละเป็นผู้ทุศีล พวกท่านเป็นคนชั่วช้าและพวกท่านพาผู้หญิงเที่ยวไปพิกษุทั้งหลายนำความนั้นกราบถูดพระศาสดาพระสุคตเจ้าทรงเรียกมาทั้งสองฝ่ายตัดถามพระโกนทัฏฐานก่อนว่าทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะพิกษุทั้งหลายเหล่านี้ว่าข่าพระจุทธเจ้าก่อนเพราะเหตุอะไรพวกเธอจึงว่าโกทัฏฐานพระศาสดาตัดถามภิกษุทั้งหลาย เพราะข้าพระพุทธเจ้าเห็นหญิงผู้หนึ่งตามหลังพระโกทนทัศน์อยู่เสมอพระเจ้าข้าพระศาสดาจึงตัดกับพระโกทนทัศน์ว่าภิกษุเหล่านั้นเห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอจึงกล่าวเช่นนั้นแต่เธอไม่เห็นหญิงเที่ยวไปกับภิกษุเหล่านั้นเลยเหตุฉ น, นจึงไปด่าว่าเขาการที่เธอมีภาพหญิงเที่ยวติดตามไปเบื้องหลังนั้นเพราะกรรมอันลามกของเธอในอดีตเหตุฉนัยในบัด น, นี้จึงถือทิฏฐิชั่วอันนี้อีก ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าภิกษุชื่อโกนทัฐานได้ทำกรรมอะไรไว้ภะาษาสดาทรงแสดงบุพกรรมของท่านในสมัยเป็นเทวดาแล้วตรัสเตือนพระโกนทัฐานว่าเธออาศัยกรรมอันชั่วช้าของตนจึงได้รับผลอันแปลกประหลาดเช่นนี้แล้วบัดนี้การถือทิฏฐิชั่วหาควรไม่เธออย่าว่ากล่าวโตเถียงภิกษุทั้งหลายอีกจงสงบปากสงบคาเหมือนกังสดานที่เขา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 วงเล็บอยู่อย่างสงบเสงี่ยมไม่มีปากไม่มีเสียงเหมือนกังสดานที่ปากขาดแล้วท่านจะถึงนิพพานการกล่าวแข่งดีกันก็จะไม่มีแก่ท่านดังนี้มีระยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นพระโกนทัตทานตั้งอยู่ในโอวาทที่พระาศาสดาทรงประทานแล้วไม่นานนักได้บราราลุอรหัตผลต่อมาได้รับยกย่องจากพระาศาสดาว่า เป็นผู้เลิศในการจับสลากในคัมภีร์มโนรัตปูรณีอัตถกถาอังคุตรนิกายเล่มหนึ่งหน้า283ร้ยได้กล่าวไว้ว่าพระโกนทัานจับสลากได้ที่หนึ่งถึงสครั้งคือ1เมื่อพระศ า, าสดาเสด็จไปสู่อุขนครในกิจนิมนต์ของนางมหาสุภทาสองเมื่อพระศาสดาเสด็จไปสู่เมืองสาเกตในกิจนิมนต์ของนางจุลสุภทา สามเมื่อพระศาสดาเสด็จไปสู่สุนาปรันต์ตักชนบทกิจนิมนต์เหล่านี้ต้องการพระอระหันต์ขีนาศพ บ, บนล้วนห้าร้อยรูปแต่พระอระหันต์มีมากด้วยกันจึงต้องจับสลากพระโกนทัฐานได้เป็นที่หนึ่งเสมอถ้าสมัยนี้ก็ถูกลอตเตอรี่เนาะที่หนึ่งสามแต่ไม่เอาเนะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ไม่ได้ใช้การจับสลากบางที่บางแห่งก็ยังใช้อยู่การจับสลากเนี่ยเพราะว่า ถ้าอย่างนั้นมันลําบากก็บางครั้งก็ทําอยู่บ้างนานๆทําครั้งหนึ่งสมมติว่าจะไปที่บางแห่งเนี้เขาให้ไปจํากัดสองรูปสามรูปจะพระมีหลายกว่านั้นมากกว่านั้นเนี่ยมันลําบากใครก็อยากจะไปก็เลยจับสลากเขาม้วนๆจับตัก็เป็นธรรมดีเหมือนกันเนวิธีจับสลากก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล หเหมือนนายโคบานต้อนฝูงโคยะถาทันเทนะโครปราโลคาโวปาเชติโครจรังเอวังชราจะมัจจุจะอายุปาเชติปานิหนังแปลว่านายโคบานวงเล็บคือคนเลี้ยงโคย่อมต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉันนั้นย่อมต้อนอายุสัตว์ทั้งหลายไป จะพานันนาเรื่องความแก่ความตายและอายุของสัตว์ทั้งหลายพอสังเขปความแก่คืออะไรคือความที่อวัยวะต่างๆหย่อนยานความพิการแห่งอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายความจําลอเลือนถดถอยตามธรรมดาอวัยวะมือเท้าของเด็กและของคนหนุ่มสาวย่อมเต่งตึงแข็งแรงไม่หย่อนยานแต่พอย่างเข้าสู่วัยชารา อวัยวะต่างๆนั้นก็คลายความแข็งแรงกลายเป็นหย่อนยานเช่นหนังห้อยย้อยลงมาตัวตกกะฟันหักผมงอกหนังเหี่ยวย่นและยานพูดเสียงสั่นหลังโกงเป็นต้นความวิการแห่งอินทรีย์นั้นเพิงเห็นเช่นตาซึ่งเคยสว่างก็กลับมืดมัวหูเคยได้ยินเสียงก็กลับได้ยินไม่ชัดต้องฟังหลายๆครั้งจึงรู้ว่าเขาพูดอะไรจมูกไม่ไวต่อกลิ่นสูดกลิ่นไม่ค่อยรู้หอมรู้เหม็น ลิ้นไม่ค่อยรู้รสร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมากดังกล่าวมาแล้วนี่คือความวิการแห่งอินทรีย์จะทำอะไรก็ไม่ถนัดจะบาเพ็ญสมณธรรมก็ไม่สะดวกสมดังที่พระจักกุกล่าวว่าชราชัดชริตาโหติหัตถปาทาอนัสสวายัสสะโวหิตาตถาโมกะถังธรรมมังจริตสติมือเท้าของบุคคลใดคล่าคร่าเพราะชรา ว่าไม่ฟังคือไม่อยู่ในอำนาจผู้นั้นกำลังเสื่อมถอยหมดแล้วจากประพฤติทธรรมอย่างไรด้วยเหตุนี้พระศาสดา จ, จึงทรงเตือนให้รีบทำความดีให้รีบประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่หนุ่มหากพลาดโอกาสแล้วจะต้องเสียใจภายหลังดังพุทธภาษิตว่าอจริตตวาพรหมจริยงอลัฐาโยปเนทนางชิ น, นะโกนจาวะญายนติ ขีณานะเฉชวะปันละเลบุคคลผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์และไม่ได้ทรัพย์ตั้งแต่ยังเป็นหนุมย่อมซบเซาในภายหลังเหมือนนกกเรียนแก่ลงปักที่ปลาหมดเสียแล้วด้วยเหตุนี้ในขณะที่ยังหนุ่มกำลังวังชาอย่างดีจึงควรรีบทำความดีรีพหาทรัพย์ตั้งเนื้อตั้งตัวเมื่อความแก่ย่างเข้ามากาลังวังชาถดถอย ความยากในการหาทรัพย์และในการตั้งตัวย่อมมีมากขึ้นพระศาสดาจึงทรงสอนว่าอัฏฐานะกาณกาลมิอนุธหาโนยุวาภรีอาลาสิยังอุเปโตสังส น, นะสังกัปปะมโนกุสีโตปัญญายะมะกขังอัละโสนวินทติ บุคคลผู้ไม่ลุกขึ้นในการที่ควรลุกยังหนุ่มมีกำลังอยู่แท้แต่เกียรติคร้านมีความดำริอันจมเสียแล้วย่อมไม่พบทางแห่งปัญญาคำว่ามีความดำริอันจมเสียแล้วหมายความว่าไม่คิดจะทำอะไรไม่มีความคิดริเริ่มมีแต่ความเกียดคร้านเป็นเจ้าเรือนคนอย่างนี้แม้ยังหนุ่มมีกำลังความหนุ่มและกำลังนั้นก็เสียเปล่าน่าเสียดาย พอคิดจะทําอะไรเข้าก็คิดทําแต่เรื่องเสียเช่นสักส่วนกันเล่นการพานันสักส่วนกันเป็นนักเลงหญิงนักเลงหัวไม้มีแต่จะนําอันตรายมาให้ตัวนําชื่อเสียงไม่ดีมาให้ครอบครัวและสกุลวงแม้การสแสวงหาปัญญาความรู้สแสวงหาวิชาก็ควรทําตั้งแต่ยังหนุ่มสมองยังว่องไวปราดเปรียวแก่แล้วเรียนก็ลําบากอันที่จริงความแก่นั้นไม่ได้มีไม่ได้เป็นเมื่ออายุมากเท่านั้น คนอายุน้อยก็แก่เหมือนกันท่านเรียกว่าปฏิชันนชราคือความแก่ที่ยังปกปิดท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมรกว่าอันที่จริงคนบ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความตายตั้งแต่อยังอยู่ในท้องมารดานั่นทีเดียวความแก่อย่างนี้คนไม่รู้สึกแต่ถ้าไม่มีแก่อย่างปกปิดมาก่อนแล้วความแก่อย่างเปิดเผยจะมีได้อย่างไรคนเราหนุ่มให้เป็นแก่ให้เป็นก็น่ารัก ยังหนุ่มอยู่ทำแก่เกินไปก็น่าม่นไส้แก่แล้วยังทำหนุ่มก็น่าเกลียดมาถึงความตายความตายคืออะไรความตายในที่นี้หมายถึงการสิ้นอายุหมดลมหายใจความแตกแห่งขันขันทานังเพโทการทอดทิ้งสรีระกะเลวรัสนิเคปโปการที่อินรีขาดอินทริยสสะอุปปเชโท ความตายใครๆก็รู้ว่าคืออะไรความตายตามการก็มีเรียกกาลมรณะคือตายในการที่ควรตายเช่นอายุมากแก่ค้า่งค่าจนตายไปตายอย่างนี้เพราะหมดอายุความตายในการอันยังไม่ควรก็มีเรียกว่าอาการละมรณะคือตายตั้งแต่ยังเด็กหรือในวัยหนุ่มสาวความตายย่อมไม่เลือกวัยเหมือนผลไม้สุกหล่นก็มีหามหล่นก็มี อ่อนล่นก็มีเพราะฉะนั้นพระสุคตเจ้าจึงสงสอนมิให้ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตความตายจะไม่มาถึงเป็นอันไม่มีควรรีบทำความเพียรในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในพรุ่งนี้หรือมรืนนี้เมื่อความตายมาถึงความผัดเพีย้ยนหรือผ่นผันก็ไม่มีบุตรภรรยามารดาบิดาหรือพวกพร้อมก็ต้านทานไม่ได้ นี่คือพระดำรักแห่งพระศาสดานอกจากนี้สงสอนให้ระลึกถึงความตายหนึ่งเหนื่งทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการบรรเทาความประมาทบางท่านได้เขียนเป็นกรอนไว้ว่าคิดถึงความตายสบายนักมันตัดรักตัดหลงในสงสารความเจ็บและความแก่ย่อมต้นบุคคลไปสู่มุมคือความตายทุกคนเกิดมาแล้วไม่พ้นความตายควรสังสมกรรมดีควรประพฤติธรรม หมั่นรักษาศีลให้ทานอย่าประมาทโดยในยะนนี้สัตว์และมนุษย์ทุกคนไม่ควรนิ่งนอนใจในชีวิตเพราะถูกต้อนใกล้ความตายเข้าไปทุกวันเหมือนโคอันเขาจูงไปสู่ที่ฆ่าย่อมใกล้ความตายเข้าไปทุกๆย่างก้าวการเวลาผ่านไปย่อมฆ่าเอาอายุของคนติดไปด้วยหาได้ล่วงไปเปล่าไม่สมดังพระพุทธภาษิต ท, ที่ว่า กาโลคสติภูตานิสภาเนวะสหัตนาการเวลาย่อมกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมด้วยตัวมันเองอันหนึ่งชีวิตคนเมื่อไม่มีวิญญาณแล้วก็ปล่าประโยชน์เหมือนท่อนไม้ไม่มีสาระอะไรท่อนไม้ซสอีกยังมีสาระบ้างอายุอุตสมาจะวิญญาณังยะทากายังหันติมังอภวิทโทธตถาเสติเอทะสาโรนวิชติ เมื่อใดอายุไออุ่นและวิญญาณละกายนี้เมื่อ น, นั้นกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้สารในกายนี้ไม่มีเลยพระทศพลทรงแสดงเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่บุพารามเมืองสาวัตถีทรงปราบรการรักษาอุโบสถของอุบาสิกาทั้งหลายมีนางวิสาขาเป็นต้นมีเรื่องย่อดังนี้ ในวันอุโบสถวันหนึ่งหญิงประมาณห้0อคนในเมืองสาวัตถีรักษาอุโบสถในบุพารามนางวิสาขาเข้าไปทักทายหญิงเหล่านั้นนางถามหญิงแก่ก่อนว่ารักษาอุโบสถเพื่ออะไรหญิงเหล่านั้นตอบว่าเพื่อทิพยสมบัติในสวรรค์เมื่อถามหญิงมีสามีแล้ววัยกลางคนหญิงเหล่านั้นก็ตอบว่าเพื่อต้องการให้สามีเลิกมีเมียน้อยหรือต้องการพ้นจาก การต้องมีหญิงอื่นร่วมสามีหญิงที่ยังไม่มีบุตรตอบว่าเพื่อให้มีบุตรชายเป็นคนแรกส่วนหญิงสาววัยรุ่นยังไม่แต่งงานตอบว่าเพื่อได้แต่งงานตั้งแต่ยังสาวนางวิสาขาฟังคําตอบของหญิงเหล่านั้นแล้วนําเธอทั้งหลายไปเฝ้าพระศาสดาทูลเล่าเรื่องที่สนทนากันถวายให้ทรงทราบ พ, พระาศาสดาตรัสว่าวิสาขา สภาวะธรรมมีความเกิดเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายเป็นเหมือนนายโคบาลที่มีท่อนไม้ในมือความเกิดส่งสัตว์ไปสู่ความแก่ความแก่ส่งต่อไปยังความเจ็บความเจ็บส่งไปยังความตายมรณะย่อมตัดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้สิ้นสุดลงถึงกระนั้นปวงสัตว์ที่ปรารถนาพระนิพพานคือวิวัตตะไม่ค่อยมีมัวแต่ปรารถนาวัตตะกันเสียทั้งนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า ยะถาทันเทนโคปาโลเป็นอาทิมีในยะดังพันานามาแล้วนั่นแหละหกเหมือนถูกไฟไหมเพราะกรรมของตนพระพุทธภาสิทธะปาปานิกรมมานิการังพาโลนุชติตเสหิกมเมหิทุมเมโทอคิทัตโทวตตปติแปลว่าคนพาลทำบาปกรรมอยู่ย่อมไม่รู้ เขามีปัญญาชั่วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองเหมือนถูกไฟไหม้พระอัตถคาจารย์กล่าวว่าคนพาลไม่ได้ทำบาปเพราะความโกรธอย่างเดียวเท่านั้นแต่ขณะทำอยู่ก็ไม่รู้สึกหวงเดฟคือไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นบาปท้งนี้เพราะดวงจิตมืดเพราะความหลงหรืออวิชชาท่านกล่าวว่าที่ว่าย่อมไม่รู้นั้นอธิบายว่า ไม่รู้ว่าผลของบาปจะเป็นอย่างไรความไม่รู้นั้นอย่างหนึ่งแต่บางคนก็ทำทั้งทั้งที่ทรู้คือรู้ทั้งบาปและผลของบาปแต่ที่ทำไปก็เพราะทนต่ออำนาจกิเลสไม่ได้บ้างความจำเป็นบางอย่างบังคับบ้างที่ว่าทนต่ออำนาจกิเลสไม่ได้นั้นเช่นทนต่อความโลภความรักความใคราความโกรธความหลงเป็นต้นไม่ได้บางคนก็ทนต่อแรงผลักดันภายในอันเป็นอุปนิสัยของตนไม่ได้ เพราะสิ่งนั้นได้สั่งสมมานานจนมีอำนาจเหนือความรู้สึกผิดชอบของตนเพราะอุปนิสัยของแต่ละคนย่อมมีขึ้นจากผลรวมแห่งกายกรรมวัจีกรรมและมโนกรรมที่เขาสั่งสมมาเป็นเวลานานนั่นเองสิ่งนี้เองจะสร้างแรงผลักดันอย่างรุนแรงให้เขาทำกรรมชั่วหรือกรรมดีโดยที่เจ้าของไม่อาจต้านทานได้ดูความกรุณาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อหมูสัต เนื่องจากทรงสั่งสมมานานจนไม่มีอำนาจใดมาทำลายได้นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นบางอย่างที่บังคับให้คนทำความชั่ว ท, ทั้งที่ไม่อยากทำเช่นความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บเรือรังจนผู้เจ็บรู้สึกว่าทำอย่างไรก็เอาทั้งนั้นขอให้โรคหายก็แล้วกันรวมความที่ข้าพเจ้ากล่าวในที่นี้ถึงสาเหตุของการทำความชั่ว3ประการคือหน่งทนอำนาจยั่วยวนของกิเลสไม่ได้ 2 อ, อุปนิสัยหรือวาสนาหรือสันดานโน้มไปในทางชั่ว 3. ความจาเป็นแต่นักศิลธรรมและนักศาสนาเห็นว่าการอ้างความจำเป็นเพื่อทำชั่วนั้นไม่ถูกคือไม่ควรอ้างความจำเป็นใดๆเพื่อทำชั่วถ้าจะอ้างกันแล้วทุกคนก็อ้างได้เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นก็ควรหาทางแก้ไขโดยวิธีอันถูกต้องตามศิลธรรมหรือมีความอดกั้นเพิ่มขึ้น ปัญหาเรื่องอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดนั้นเป็นปัญหาสำคัญของนักจริยศาสตร์ทางนี้เพระาะศาสนาประเพณีและความเชื่อถือแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันการกระทำอย่างเดียวกันอาจได้รับความนิยมในสังคมหนึ่งว่าดีแต่อีกสังคมหนึ่งประเทศหนึ่งถือว่าชั่วอะไรคือความดีหรือความชั่วสากลอะไรคือความถูกหรือความผิดสากล จริงอยู่มีกฎแห่งศีลธรรมบางอย่างที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าถูกต้องเช่นความกตัญญูกะตะเวทีความขยันหมั่นเพียรความมีเมตตากรุณาความยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตามในธรรมเหล่านี้มีข้อยกเว้นอยู่มากมายเกี่ยวกับบคุคคลกาลเทศะสมมุติว่าเราจะตั้งปัญหาขึ้นว่าความยุติธรรมคืออะไรเราสามารถให้คาจำกัดความได้โดยไม่ยากว่าความยุติธรรมคือการ ลงโทษคนที่ควรลงโทษยกย่องคนที่ควรยกย่องใครควรได้รับสิ่งใดก็ให้เขาได้รับสิ่งนั้นตามสมควรแก่กรรมของเขาแต่พอมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาว่าคนอย่างไรควรได้รับการยกย่องคนอย่างไรควรได้รับการลงโทษคำตอบก็บาดปลายออกไปและมีข้อยกเว้นมากมายเพราะจะต้องพิจารณาถึงกฎหมายของรัฐขนมประเพณี ความนิยมของบ้านเมืองหรือของคนในกลุ่มนั้นมาประกอบการกระทาด้วยด้วยเหตุนี้นักจริยศาสตร์จึงกล่าวถึงศีลธรรมสองอย่างไว้ก็เรียก Positive Morality และ i n d i a ี Morality Positive Morality นั้นหมายถึงศีลธรรมที่ยอมรับปฏิบัติกันตามธรรมเนียมประเพณีหรือข้อบังคับทางาศาสนาแม้ไม่มีเหตุผลเพียงพอก็ต้องทาหรือต้องเวน้นเรื่องนี้มีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปใครไม่ทาสิ่ง ที่กลุ่มชนนั้นบัญญัติให้ทาหรือไม่เว้นสิ่งที่เขาบัญญัติให้เว้นก็อาจเป็นคนเสียเป็นคนไม่ดีตามความรู้สึกของสังคมนั้นหรือประเทศนั้น Positive Morality นี้เองเป็นโครงร่างสำคัญของกฎทางจริยศาสตร์ที่ชุมชนต้องยอมรับว่าเป็นหลักที่ถูกต้องคุณค่าอันแท้จริงของการกระทาและแสดงออกในรูปแบบของการตัดสินใจว่าสังคมพอใจหรือไม่พอใจในการกระทาเช่นนั้น ตัวอย่างสังคมของเรายอมรับว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปการฆ่าคนเป็นบาปหนักทั้งๆ ท, ท, ที่คนบางคนสมควรจะถูกฆ่าเลอะเกินเพราะอยู่ก็เป็นภัยต่อสังคมเขาก่อความเดือดร้อนวุ่นวายแก่สังคมมากเลอะเกินพิจารณาโดยเหตุผลแล้วการฆ่าคนเช่นนั้นไม่น่าจะบาปแต่เมื่อใจได้รับการอบรมจนเคยชินกับคำว่าการฆ่าคนเป็นบาปดังนี้ผู้ฆ่าก็อดหวาดหวั่นต่อบาปไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้พิพากษาบางท่านเมื่อสั่งประหารชีวิตคนแล้ววงเล็บความจริงเขาทำตามหน้าที่และตามตัวบทกฎหมายก็อดหวาดหวั่นไม่ได้จึงต้องรดน้ำมนบ้างและทำอย่างอื่นบ้างเช่นทำบุญใส่บาตรพระเพื่อให้จิตใจดีขึ้นรวมความว่าโพสิทิฟมอรัลิตี้นั้น คือศิลธรรมที่ยอมรับปฏิบัติกันในสังคมมาในรูปของขนบ ธ, ธรรมเนียมประเพณีความเชื่อถือและหลักทางศาสนาซึ่งแน่ละจะต้องแตกต่างกันไปตามกาละเทศะสังคมพุทธถือว่าการฆ่าวัวเป็นบาปหนักอย่างหนึ่งแต่สังคมอิสลามไม่ถือว่าบาปถือว่าเป็นบุญซะอีกจึงส่งเสริมให้ฆ่าไม่มีความตะิดตะขวงใจในการฆ่านั้น ทำนองเดียวกับที่พระในพระพุทธศาสนาฉันเนื้อสัตว์ได้โดยไม่ต้องระแวงในความเศร้าหมองแห่งศีลของตนแต่สังคมฮินดูหมายถึงพระฮินดูจะไม่ยอมแตะต้องเนื้อสัตว์เลยส่วนอีกคําหนึ่งนั้นพยายามสแสวงหาความดีในตัวมันเองความดีหรือความชั่วที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของสังคมมันดีในตัวของมันเองและชั่วในตัวของมันเองอย่างที่คุณเวิร์ด กล่าวว่าความดีหรือความชั่วนั้นมีธรรมชาติหรือลักษณะที่แน่นอนตายตัวไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนหรือสัญญาใดๆทั้งสิ้นความแตกต่างทางศีลธรรมนั้นตัดสินไม่ได้ด้วยเจตจำนงของบุคคลหรือแม้ของพระเจ้าลำพังแต่เจตจำนงอย่างเดียวไม่สามารถกลับดีให้เป็นชั่วหรือกลับชั่วให้เป็นดีได้เหมือนเราไม่สามารถคิดสีขาวให้เป็นสีดำหรือสีดำให้เป็นสีขาวความยุติธรรม หรือความดีอย่างหนึ่งเป็นสิ่งไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งยั่งยืนมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติไม่ใช่ใครจะนึกคิดปรุงแต่งเอาได้กฎนี้มีอยู่ในส่วนสำคัญที่สุดของสิ่งทั้งปวงกฎนี้แม้สังคมจะไม่รู้แจ้งแต่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันมีเหตุผลในตัวของมันอย่างเต็มที่คาหนึ่งที่ตรงกับพระดารัสของภษ า, าสดาเรื่องนิยมธรรมธาต ที่ทรงแสดงว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามสิ่งทั้งปวงย่อมทรงลักษณะของมันไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจหรือไม่เข้าใจของคนกล่าวคือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตานักป่าเพียงเข้าไปรู้ความตามที่มันเป็นจริงและนำมาเปิดเผยแสดงให้รู้กันเท่านั้น ตามนัยยะที่กล่าวมานี้เมื่อบคุคคลประกอบกรรมชั่วหรือกรรมดีจะโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันมีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเองเหมือนบคุคคลปลูกต้นไม้จะรู้จักชื่อมันหรือไม่ก็ตามมันย่อมออกใบดอกและผลตามชนิดของมันจะเป็นนักพฤกษศาสตร์ปลูกหรือตสีตาสาปลูกก็ไม่สามารถเปลี่ยนชนิดของต้นไม้นั้นได้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 พราะท่านสอนให้เว้นความชั่วทั้งปวงหากจะศึกษาก็ศึกษาวิธีเว้นความชั่วและศึกษาให้รู้ว่าอะไรชั่วเพื่อจะได้เว้นสิ่งที่ควรเว้นคนทำความชั่วอยู่เสมอต้องเดือดร้อนเพราะความชั่วของตนพระศาสดาทรงสแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่พระเวรุวันเมืองราชสครึสความว่าสมัยหนึ่งพระมหาโมคคลานะกลับพรรคขณะลงจากภูเขาคิจกูด ได้เห็นสัตว์ตนหนึ่งคืออาชคระเปต ด, ด้วยจักสุทิพไฟลุกขึ้นจากหางของมันลามไปจนถึงหัวลุกจากหัวลามไปถึงหางลุกจากหัวและหางทั้งสองไปรวมอยู่ที่กลางตัวพระมหาโมคคลานะเห็นดังนั้นจึงยิ้มน้อ ย, อยเมื่อพระลักษณะถามว่ายิ้มอะไรท่านตอบว่าบัดนี้ไม่ใช่เวลาตอบปัญหาขอท่านจงถามในสำนักภาษาสดาเถิด เมื่อกลับจากบินทบาทฉันเสร็จแล้วพระเถระทั้งสองเข้าเฝ้าพระศ า, าสดาพระลักษณะถามอีกพระมหาโมกขลานะจึงเล่าให้ฟังว่าได้เห็นเปรตตนหนึ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสัตว์เห็นปานนี้ท่านไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักสุแล้วภิกษุทั้งหลายแม้เราเองก็เคยเห็นเปรตนั้นที่โพธิมณฑลอันเป็นที่ตัสรู้ แต่เราไม่พูดเพราะเกรงว่าพูดไปหากคนไม่เชื่อความไม่เชื่อนั้นไม่เป็นความดีสำหรับผู้นั้นบัดนี้เราได้มหาโมคลานะเป็นพยานแล้วจากพูดเมื่อพิกษุทั้งหลายทูลถามถึงบุพกรรมของเปรตนั้นจึงตรัสว่าในการแห่งพระกัสสปะทศพลเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสุมังคละ เลื่อมใสในพระราตรัยได้สละทรัพย์เป็นอันมากสร้างอารามถวายส่งที่พระกัสสปผู้เจ้าทรงเป็นประมุขวันหนึ่งเศรษฐีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้าตรู่เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสายะคลุมหัวมีเท้าเปื่อนโคนนอนอยู่ที่ศาลาหลังหนึ่งใกล้ประตูเมืองจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าคนนี้เท้าเปื่อนโคนคงจะเป็นมนุษย์ที่ชอบเที่ยวกลางคืนเป็นแน่แท้แล้วเดินเลยไป จนได้ยินเสียงเปิดผ้าคลุมหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดว่าเอาเธอเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้แค้นที่เศรษฐีพูดอย่างนี้กับเราเขาผูกอาฆาตในเศรษฐีนั้นเมื่อได้โอกาสจึงเผานาของเศรษฐีเสียถึงเจ็ดครั้งตัดเท้าโคในคอกเช็ดเจ็ดครั้งและเผาเรือนเจดครั้งแม้กระนั้นก็ไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้จึงทำสนิทชิดเชื้อกับคนใช้เศรษฐีแล้วถามว่า อะไรที่เศรษฐีรักที่สุดเมื่อทราบว่าพระคันท ก, กุดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงลอบไปเผาพระคันท ก, กุดีนั้นขณะที่พระศาสดาสเสด็จออกไปบินทบาทเศรษฐีได้ทราบความนั้นรีบมาเห็นพระคันท ก, กุดีกําลังถูกไฟไหม้เขาปรบมือด้วยความยินดีเมื่อคนทั้งหลายถามว่าไม่เสียดายหรือพระคันท ก, กุดีสร้างด้วยราคาแพงเขาตอบว่าเขายินดีที่จะได้สละทรัพย์ สร้างใหม่และได้บุญอีกแล้วสละทรัพย์จำนวนมากสร้างพระคันท ก, กุูดีถวายพระศ า, าสดาใหม่โจร น, นั้นได้ทราบเรื่องของเศรษฐีแล้วคิดว่าจะต้องฆ่าเศรษฐีคนนี้เป็นแน่แท้จึงจะหายแค้นจึงซ่อนกริเข้าไปเดินเตร่อยู่ในวิหารเป็นเวลาถึงเจ็ดวันก็ไม่ได้โอกาสฆ่าเศรษฐีฝ่ายท่านเศรษฐีถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็ดวัน ถวายบังคมพระาศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์บุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระองค์เจ็ดครั้งตัดเท้าโคในคอกเจ็ดครั้งเผาเรือนเจ็ดครั้งและคงจะเป็นคนคนเดียวกันนั่นเองที่เผาพระคันทกดีข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อนโจรได้ยินคำนั้นแล้วเกิดความทุกข์ ขึ้นในใจว่าเราทำกรรมหนักเสียแล้วหนอเศรษฐีไม่ได้มีแม้แต่ความแค้นเคืองในเราผู้ทำผิดถึงป่านนี้แถมยังแผ่ส่วนบุญให้เราก่อนเสียอีกถ้าเราไม่ให้คนอย่างนี้อดโทษเทวทันคงจะต้องตกถึงเราเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วหมอบลงแทบเท้าของเศรษฐียอมรับสารภาพกรรมที่ตนได้ทำแล้วทุกอย่างและให้เศรษฐีระลึกถึงคาพูดของตน อันเป็นเหตุให้เขาอาฆาตในช้าวันหนึ่งเศรษฐีระลึกได้แล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าอดโทษให้ท่านขอให้ท่านอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยท่านจงลุกขึ้นไปเถิดข้าพเจ้าอดโทษให้ท่านแล้วถ้าท่านอดโทษขอได้โปรดรับข้าพเจ้าและบุตรภรรยาไว้เป็นทาสในเรือนของท่านด้วยเถิดโจรว่าเศรษฐีจึงว่าข้าพเจ้าพูดเพียงเท่านั้นท่านยังทําแก่ข้าพเจ้าถึงเพียงนี้ หากท่านอยู่ในเรือนข้าพเจ้าจะพึงว่ากล่าวอะไรท่านได้ข้าพเจ้าอดโทษให้ท่านแล้วจงลุกขึ้นไปเสถิดไม่รับเลยด้วยกรรมนั้นโจรทำกาละแล้วบังเกิดในอเวจีนรกสิ้นกาลยาวนานบัดนี้เกิดเป็นอชคระเปรตถูกไฟไหม้อยู่ที่ภูเขาคิจกูดเพราะเศษกรรมที่เหลือพระศ า, าสดาตัด บ, บุพกรรมของเปรตนั้นแล้วตัดต่อไปว่าภิกษุทั้งหลาย คนพานทำกรรมอันลามุกอยู่ย่อมไม่รู้แต่ภายหลังย่อมเล่าร้อนเพราะกรรมของตนนั่นเองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอาัฏฐปาปานิกรรมมานิเป็นอาทิมีเนยะดังปานนามาแล้วนั่นแหลนี่เราจะเห็นว่าคนดีกับคนชั่วนี่เรียกว่าไปคนละขั้วสุดๆเลยนี่คนดีก็ดีสุดๆคนชั่วก็ชั่วสุดๆนี่ มันกำรรแรงกำรร ม, มันผักดันเนะี่คนสั่งสมความดีก็หนักในความดีนะี่แม้ใครจะทำร้ายก็ทำแต่ความดีนะี่ไม่มีโกรธไม่มีอาฆาตพยาบาทเห็นไหมปกมือซะอีกปบมือซะอีกจะได้ทำบุญใหม่จะได้สร้างใหม่เนี่ยโอยคนจะมีน้ำใจคิดอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดานะหายากได้สมัยนี้ ปะมานี้นิดเดียวก็โอ้ยเป็นเรื่องใหญ่โตเลยมีแต่ความอาฆาตเจยดแค้แน